อนาปติวนันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ334 1. ิภิกษุไม่ประสงค์จะให้หัวเราะจับต้องกายเมื่อมีเหตุจำเป็นสองภิกษุวิกลจริต 3. ภิกษุต้นบัญญัติอังคุริ ป, ปโตทกาสิขาบทที่2จบ